อนาปฏิวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ 5141. ้ิกษุรับจีวรของภิสูรนี้ผู้เป็นญาติสอพิกษุแลกเปลี่ยนคือเอาของที่มีค่าน้อยแลกเปลี่ยนของที่มีค่ามากหรือเอาของที่มีค่ามากแลกกับของที่มีค่าน้อย 3. ภิกษุถือวิสาสาเอามา 4. ภิกษุขอยืมจีวร5้พิกษุรับบริการอื่นนอกจากจีวร 6. ภิกษุรับจีวรของสิกขามานา 7. ภิกษุรับจีวรของสามเณรี 8. ภิกษุวิกลจริต 9. ภิกษุต้นบัญญัตจีวรปฏิฆนะอนัสิกขาบทที่หจบ